โลกที่ผจญโรคร้ายนำสู่หายณนะในพุทธศักราช 2,551 หรือคริสตศักราช 2,008 นี้โลกก็ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกอีกครั้งหนึ่งวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ที่เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาในปีนี้ร้ายแรงอย่างเทียบกันไม่ได้กับวิกฤตต้มยำกุง้งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยเมื่อพุทธศักราช 2,540 มันสามารถชุดโลกทั้งใบให้สุดลงได้หากไม่ใช้ปัญญาแก้ไขให้เป็นระบบเมื่อครั้งวิกฤตต้ยมยำกุ้งหลวงตาได้เป็นผู้นำออกเร่งระดมทองคำมาค้ำจุนชาตินับเวลาก็เป็น10ปีแล้วจนถึงวันนี้30ธันวาคมพุทธศักราชส5 5พได้ทองคำเกือบจะครบ12ตันตามที่หลวงตาท่านได้พิจารณาเป็นเป้าหมายแล้วยังขาดอยู่120กว่ากิโลก ร, รัมเท่านั้น เมื่อท่านเริ่มโครงการระดมทองคำเข้าคลังหลวงครั้งนั้นทองคำบาทละเพียง4 0 0พันบาทกิโลกรัมหนึ่งก็เพียง4 0 0แสนบาทมาบัดนี้ราคาทองคำขึ้นไปเป็นบาทละ 13,000 บาทเศษกิโลกรัมหนึ่งก็ถึงล้านกว่าบาทฉะนั้นมูลค่าของทองคำในคลังหลวงขนาดนี้มีมากมายเพียงใดคงไม่ต้องกล่าว เมื่อหลวงตาท่านเริ่มระดมเงินและทองคำช่วยชาติหลายคนตําหนิว่าไม่ใช่กิจของสงฆ์หลายคนระแวงสงสัยว่าท่านทำไปเพื่ออะไรมาบัดนี้เมื่อได้รับคำตอบแล้วก็เกิดคำถามใหม่ขึ้นในใจของพวกช่างสงสัยอีกว่าแล้วท่านอย่างรู้ได้อย่างไรว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจของไทย ความมุ่งมั่นของท่านที่ต้องออกมาต่อสู้กับความพยายามที่จะแก้ไขพระราชบัญญัติเงินตราคัดค้านการนําเอาเงินและทองคําจากคลังหลวงไปลงทุนในกองทุนต่างๆโดยผู้มีอํานาจของรัฐหากไม่มีการโต้แย้งและขัดขวางอย่างเข้มแข็งแล้วบัตรนิชาติของเราก็คงจะติดร่างแหไปด้วยประเทศเล็กๆอย่างไทยเราก็คงจะต้องล่มจมหนักหนาสาหัสไปกว่าเดิม คงจะเหมือนกับประเทศอาร์เจนติน่าที่ยังไม่ฟื้นอยู่ทุกวันนี้ที่สำคัญที่สุดเรามีพ่อแม่ครูอาจารย์เช่นองค์หลวงตาที่มีญาณวิถีแผ่ไปถึงสมแดนโลกธาตุพิจารณาจนรู้แจ้งเห็นจริงว่าประเทศชาติจะตกอยู่ในภาวะวิกฤตเช่นไรในอนาคตแม้จะไม่มีสัญญาณของความหายนะปรากฏให้เห็นในขณะนั้นเลยหลวงตา ท่านได้ปรารภกับพวกเราผู้เป็นลูกศิษย์มาโดยตลอดว่าหากสิ้นชาติก็คงไม่มีศาสนาและพระมหากษัตริย์ณวันนี้ก็ยังไม่เห็นผู้มีอำนาจคนใดของรัฐบาลที่จะเข้ากราบนมัสการเพื่อขอบพระคุณในความรู้แจ้งถึงอนาคตของหลวงตาคำพูดของผู้นำประเทศหลายคนที่พูดถึงท่านในทางไม่สร้างสารรค์นักยังคงก้องอยู่ในโซนประสาทของพวกเรา แม้แต่พระสงฆ์บางรูปก็มีข้อสงสัยในการช่วยชาติของหลวงตาแต่สิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็นอยู่หน้าบัตรนี้คือความหายนะที่กำลังเกิดขึ้นกับประเทศต่างๆที่ตกอยู่ในวังวนของระบบทุนนิยมสุดโต่งเหมือนโรคติดต่อที่ระบาดแพร่เชื้อลุกลามไปอย่างรวดเร็วจากสหรัฐอเมริกาต้นต่อของโรคข้ามน้ำข้ามทะเลไปยังอังกฤษและลามไปทั่วทั้งทวีปยุโรป แม้แต่ประเทศเยอรม น, นีที่ระบบเศรษฐกิจแข็งแรงที่สุดก็เริ่มถดถอยและประเทศในเอเชียก็หนีไม่พ้นโรครายนี้ต่างต้องร่วมเคราะห์กรรมเหมือนไม้ล้มที่ระเนระนาดทุกทิศ ท, ทุกทางยากที่จะเยียวยาให้หายขาดได้ในเวลาอันรวดเร็วหากแต่ต้องเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับมันด้วยใจที่แข็งแกร่งมั่นคงจงภาคภูมิใจเถิดครับ ที่เราได้มีโอกาสกราบพระอระหันต์ผู้มีความเมตตาสงเคราะห์โลกไม่มีประมาณดังคำสอนของท่านที่ว่าธรรมะเท่านั้นจะรักษาโลกได้